ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่เจสิงหาคม2553มมีชื่อเรื่องว่าเศรษฐีไม่มีเงินเมื่อวานคณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขตหนึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหมด45นักเรียน31รวนักเป็น76 7 6ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งนักเรียนเมื่อวานก็ได้มาไหว้พระรับศีลจากนั้นก็ได้ฟังหลวงพ่อกล่าวสมโภชนิยกถาแก่ลูกหลาน เลิกกันก็ประมาณสามทุ่มกว่าเมื่อคืนเนี่ยแต่ลูกหลานบางคนก็คงจะหิวข้าวอยู่มั้งแต่หลวงพ่อบอกว่าอาหารจะทํำไหมทางครัวเขาถามหลวงพ่อเออเอาทำข้าวต้มมาเลี้ยงกระพอแล้วละ่ะมาวัดไม่ต้องทานอะไรมากเพราะเหตุอะไรเพราะหลวงพ่อไม่ทานข้าวเย็นลูกหลานมาทานครูบาอาจารย์มาทานข้าวเย็นเดี๋ยวเอาเปรียบครูบามากเกินไป เอาแต่ข้าวต้มก็พอรองท้องก็พอละมั่ง่ะก็กเลยให้ทางครัวเขาทำข้าวต้มมาให้เมื่อวานนี่ยพอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็วันนี้เราลูกหลานเนะถ้าหิวก็ทานวันนี้เราเอาเต็มที่แล้ววันนี้พอหลวงพ่อหลงตาพาทานมื้อเดียวทานมื้อเช้าแล้วก็จบแต่ลูกหลานทานสามมื้อแต่เมื่อวา น, นให้เบาๆสักหน่อย ทานอาหารทานข้าวต้มพวกเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมาม ก, กะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทั้งฝ่ายในนะว่าเป็นภิกษุสมัมมาเนนทั้งฝ่ายนอกเราอุบาสกอุบาสิกาให้พวกเราทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์อย่างหลวงพ่อที่เป็นพระอยู่ฝ่ายใน ก็จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลสองิบเจ็ดจะพยายามให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยจากนั้นก็ศีลอภิสมาจารอีกมากมายถ้าว่าผู้ที่เคยบวชแล้วจะรู้ว่าศีลพระปฏิโมกนั่นคืออะไรศีลอภิสมาจารนั้นคืออะไรศีลอภิสมาจารคือศีล น, นอกจากพระปฏิโมกถ้าจะนํามาสวดทั้งหมดไม่ไหวเหมือนกนแต่สวดเป็นสามสห้าวันเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่จบเหมือนกัน ใครจะไปเรียนได้เพราะฉะนั้นสวด227ศิล227 22ข้อแล้วก็สินอภิสมาจาร์มีอีกสิอภิสมาจาร์นั่นคืออะไรคือกฎบัญญัติให้พระสงฆ์ปฏิบัติอย่าว่าให้พลิกษุดปองผมนะปองนวดนะตัดเล็บนะถ้าไม่ตัดเล็บเป็นอาบัติถ้าไม่ปองผมเป็นอาบัติถ้าไม่ปองนวดเป็นอาบัติถ้าในพระวินัยไม่มี220 227ข้อนะั้นไม่มี แต่ว่าสีนพิสมาจาเนี่ยท่านจะบัญญัติลองลงไปคือให้พระสงฆ์ปฏิบัติอันนี้แหละคือกฎระเบียบของพระสงฆ์ท่าว่าไปแล้วก็มากแต่ว่าย่นย่อลงมาถึงจะมากขนาดไหนก็เถอะนะพระในครั้งพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาแล้วอ่อนอกอ่อนใจว่าจะรักษาได้อย่างไรทั้งสินส2งีข้อนี่ก็มากแล้วยังสีนพิสม aja อีกเป็นพันๆเป็นหลายพันซึกขาบท อาจจะถึงหมื่นก็ไม่รู้จะให้รักษาได้ยังไงถ้าผมรักษาไม่ได้ผมก็ต้องเป็นบาปเพราะฉันอาหารชาวบ้านเขาใช้ของชาวบ้านเขาแล้วตัวเองไม่มีสินศินไม่บริสุทธิ์สินไม่ครบผมคงอยู่ไม่ได้ครับท่นานอาจารย์ผมคงจะลาศิกขาวันนี้แหละคือบวชเข้ามาแล้วอาจารย์สอนวิทยนายให้แต่สอนกฎระเบียบให้ศิกขาบทกิจที่ควรทํากิจที่ไม่ควรทํา เมื่อเราเป็นพระแล้วกิจที่ควรทำอนุาสาตแปอย่างนิสัยสี่กิจที่ควรทำอาการณยกิจสี่กิจที่ไม่ควรทำรวมแล้วเป็น8ดนะจากนั้นก็นไล่ไปเรื่อยปารายชิดสี่สังฆาทิเศษ7สสอนยศสองนิถกียปาจิตตี30ปาจิตตี92ิปฏิเทจนิยะสี่เสษกิยวัตเจ็ดิบ้ารวมกันเป็นร้องสอง นับทั้งอธิอธิกรณะสมถะเข้ารวมเป็น2องยี่บเ็ดนี่แหละศีลของพระปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ศีลไอพิสมาจารย์ยังมีเอกพระใหม่ได้ยินอ่อน อ, อกอ่อนใจโอ้จะให้ผมรักษาศีลทุกข้อพงไม่ไหวผมขอกลับไปเป็นฆรวาสบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อสั่งสมบุญกุศลจะดีกว่าครับผมมารักษาศีล น, นี่ไม่ไหวละผมขอลาิกขา แต่นี้พระที่เป็นครูบาจารย์ไม่รู้จะทำยังไงเพราะวินัยทั้งหลายไม่ใช่พระวินัยของพระบัญญัติขึ้นเป็นวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นผู้บัญญัติวินัยถ้าคำว่าคนเข้ามาบวชแล้วพูดอย่างนี้บ่อยๆทุกคนล่ะจะทำยังไงพระสงฆเหานั้นกังวลใจเอ่ะต้องไปกราบพระพุทธเจ้าแต่ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าเพราะวันนี้พระองค์เนี่ยเขาค้านขึ้นมาว่าเขาอยู่ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่า จะให้รักษาศินถึงเป็นร้อยเป็นพันอย่างเนี้ยหลายพันอย่างนี้ไม่รู้เท่าไหร่จะให้รักษาทั้งหมดเขาไม่มีความสามารถเขาจะลาสิกขาเขาจะไปเป็นคารวาสเขาจะรักษาศินห้าสินอุโบสถคือศินแปดก็น่าจะเพียงพอสําหรับเขาเขอมีความมีขีดความสามารถเท่านั้นแต่ถ้ารักษามากกว่านั้นเขารักษาไม่ได้เมื่อรักษาไม่ได้เขาก็บินทบาทฉันอาหารชาวบ้าน ใช้ของชาวบ้านอยู่ที่พักพาอาศัยชาวบ้านยาแก้โรคภยัยให้เจ็บเป็นของชาวบ้านให้จะเป็นบัปเพราะนั้นเ ข, เขาจะไม่อยู่ในศาสนาเขาจะลาศิกขาพระเจ้าข่าเพราะพระองค์ก็ถามว่าจริงไหมเธอคิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับพระองค์นั้นพระบวชใหม่นะใช่ครับพระพุทธเจ้าบอกว่าทําไมเธอจึงจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าศีลเลวินัยมากเหลือเกิน ข้าพระ อ, องค์ไม่สามารถที่จะรักษาได้พระพุทธองค์บอกว่าถ้าอย่างนั้นรักษาอันเดียวได้ไหมรักษาข้อหนึ่งรักษาข้อเดียวนั่นน่ะโอ้ทางรักษาข้อเดียวมากขนาดยากขนาดไหนข้าพระ อ, องค์ก็ทําได้จะรักษาข้อเดียวยากขนาดไหนก็ทําได้พระเจ้าค่ะเออตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องรักษาให้มันยุ่งยากอย่างอื่นหรอกรักษาอันเดียวก็พอคือรักษาใจนะ อันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันออกไปจากใจทั้งหมดมันเป็นเงาของใจใจไปทำารล้วงนันใจไปทาเรื่องนี้มันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายก็เลยบัญญัติพิณัยแต่บัดนี้ให้เธอรักษาใจอันเดียวอย่าไปคิดในสิ่งที่มันที่มันจะชั่วอย่าไปพูดนี่ที่มันจะชั่วรักษาใจอันเดียวเท่านั้นให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในใจใจจะคิดเรื่องอะไรอย่าให้มันคิดออกไปให้มันอยู่ในกรอบตีกรอบ ให้อยู่กับกรรมฐานที่ได้กําหนดเอาไว้กรรมฐานอะไรพุทธาธรรมมาสังคามรณะนุสติและลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องคิดอย่างอื่นรักษาใจอย่างเดียวได้ไหมได้ครับจากนั้นพระองค์นั้นก็เลยรักษาใจอย่างเดียวไม่ต้องรักษาวินยยัยเหมั้นกัน อ, อีกไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์เนี่ยสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ฉลาดมากคําว่าฉลาดเขานี่คืออะไรตั้นไม่ต้องให้รักษาอย่างอื่นให้รักษาใจอย่างเดียว พราะนั้นสินเลวินัยไม่มากนะอันนี้ก็คือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสำหรับคณะสัทธาญาติโยมล่ละหลวงพ่ออยากจะบอกอยากจะเตือนอยากจะกล่าวว่าในพรรษาเนียปี2553เนี่ยเข้าพรรษามาเมื่อวันที่ย7สกรกฎาคมสวันนี้เป็นวันที่8สิงหา5้สเข้าพรรษามาสิบกว่าวัน หลวงพ่อวยอยากจะให้พวกเราคือไม่สายเกินไปคือตั้งจิตอธิษฐานมาวัดหลวงพ่อมีพระประธานอยู่ต่อห น, น้าพระพุทธอุดมมงคลอีกตางหานะเป็นพระที่อุดมไปด้วยมงคลพระประธานที่วัดหลวงพ่อเพราะนันก็ลาพระประธานเสร็จแล้วเออวันนี้ข้าพเจ้านะได้มาทำบุญที่วัดหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อพูดว่าในพรรษา น, น, นี้ควรจะยึดอะไรเป็น จิตจะลักษณะของชีวิตชีวิตที่ผ่านมาก็มากต่อมากแล้วเราทำสเปสปะมามากต่อมากแล้วแต่ชีวิตมาถึงปูนนี่แล้วขณะนี้แล้วอีกนานจากเท่าไหร่ไปข้างหน้าเนเราจะต้องทิ้งแน่แน่ร่างกายของเราเนี่ยจะต้องถูกเผาไฟแน่แๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นปั่นปลายชีวิตของเราขนาดนี้เราควรจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเราให้เป็นที่พึ่งทางด้าน จ, จิตใจข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานอ้าว ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิทุกวันภาวนาทุกวันวันละสิบนาทีวันละห น, น, นาทีที่เราได้ศึกษามาแล้วนั้นจากนั้นเราจะงดชุราในพรรษานี้ตั้งแต่บัดนี้หนละเป็นต้นไปจนออกพรรษาได้จะงดบุหรี่งดอบายามุกอย่างนี้เป็นต้นนะจากนั้นก็เอา้าข้าพเจ้าจะไปกราบคุณพ่อคุณแม่ไปคารวะทุกวันอาทิตย์ไม่ให้ขาดในในพรรษานี้ สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเรามีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าพรรษาผ่านไปผ่านไปก็ผ่านไปเฉยเฉชีวิตก็ผ่านไปผ่านไปก็ไปถึงแก่เจ็บลกรตายเท่านั้นแหละชีวิตของเราไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นควรจะสงสังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อคืนเนี่ยหลวงพ่อว่าชีวิตของเราเนี่ยมีจุดจบแล้วก็ถึงจุดจบ ตายแน่และก็พร้อมกันตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ก็ว่าเอา้าหลวงพ่อจะเอาหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ตายแล้วไม่เกิดเห็นว่าตายแล้วหายเงียบไปทุกคนนะพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาแล้วสองพันกว่าปีที่โคลนต้นโพพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านนั่งสมาธิทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งพอจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพระพุทธองค์ เกิดยา น, นะทัศนะเกิดฌานพอเกิดฌานขึ้นมาพระองค์น้อมจิตระลึกชาติผลหลังเยะว่าปุเพในวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ถ้าว่าตายแล้วศูญจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงถ้าไม่มีเมื่อวานเนเราจะระลึกได้ยังไงว่ามีมีเมื่อวานในเมื่อมีเมื่อวานเราจึงย้อนไปถึงเมื่อวานได้ไดแล้วก็ระวันพวกนี้แหละจะนี่ยมีไหมเมื่อเมื่อวานนี่มีวันนี้มีวันพรุ่งนี้ก็ต้องมี นั่นแหละอนาคตมันก็มีอดีตมันก็มีปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็มีเพราะนั้นพระพุทธเ จ, จา้าต่านว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกท่านท่านทั้งหลายอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบให้จิตใจรวมลงเป็นหนึ่งถ้าจิตใจรวมเป็นหนึ่งจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วพวกท่านทัน้งหลายจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนั้นอาศัยกันอยู่ร่างกายนี่ว่ารูปธรรม ส่วนจิตใจนะั้นนามธรร ม, ามนามธรรมกับรูปธรรมอยู่ในกายของเราเนี่อยู่ในตัวของเรานี่เดี๋ยวนี้ถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนหมอร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจคือนามธรร ม, มเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่ร่างกายของเราถ้าเราทําจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้ท่าพิสูจงงน์จากนั้น เพราะนั้นขอให้พวกเราที่เป็นชาวพุทธนะถ้าไม่อยากจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ให้นั่งภาวนาให้พิสูจน์ด้วยตนเองถ้าพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าเอาจริงจังนะแต่ถ้านอนพิสูจน์แล้วก็กินเหล้าซะก่อนยังค่อยพิสูจน์มันไม่เจอหรอกทํานั้นแบบทําแบบให้ไม่จริงไม่จังถ้าเอาจริงจังทําให้จริงจังพิสูจน์โดยจริงจังก็ต้องเห็นพระธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงนะจะทะําล่อหล่อและนะ่แหล่เนี จะไปเจอได้ยังไงเหมือนกับคนหาเงินเขาไปหาเขารวยทั้งหมดตัวเองไปเลยหาท่าไหนก็จริงจนลงไปจนลงไปเพราะเหตุไรเพราะตัวเองไม่ฉลาดเพราะตัวเองโง่และตัวเองไม่จริงจังอีกต่างหากจึงไม่รวยแต่ถ้าว่าเขาเป็นผู้จริงจังเขาหาจริงเขาจะต้องรู้จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันธรรมะของพ ร, ระพุทธเจ้าคือหลักเหตุผลหลักเหตุผลนั้นเราจะเอาอะไรว่าหลักเหตุผลนั้นคืออะไรคือความถูกต้อง ความถูกต้องถูกต้องขนาดไหนถูกต้องขนาดที่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่บวกไปเท่าไหร่ก็ถูกหมดอันนี้ก็คือห ล, ลักเหตุผลถ้าว่าใครพูดผิดห ล, ลักเหตุผลหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามสามสาบวสามเป็นเก้าแปลว่าผิดผิดห ล, ลักเหตุผลไม่ถูกเพราะนั้นขอให้พวกเราครูบาอาจารย์ศรัทธายาดยาม ท, ทุกท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังได้ก่อ นะเป็นแนวทางสําหรับให้พวกเราได้พิสูจน์แล้วว่าให้ได้คิดไม่ให้ได้คิดให้ได้ศึกษาตามแนวแถวของพุท ธ, ธหลักของพระพุทธศ า, าสนาที่ท่านสอนอะไรพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเรื่องร่างกายนะเรื่องร่างกายท่านไม่ได้สอนเกิดมาแล้วเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นวิบากกรรมในอดีตนะวิบากกรรมก็คือพวกเราได้ทํากรรม ส, สิ่งที่ไม่ดีไว้แล้วในอดีตจึงมาเกิดในชาตินี้ ในเมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วเราทำกรรมชั่วอีกต่อไปเราก็จะวิบากจริงซดลงไปอีกเพราะว่ากรรมดีกรรมชั่วน่มันทำมาในอดีตอย่างพราหมณ์ท่านหนึ่งเกิดมาชาตินี้รวยมากในกรุงสวัส์ถีรวยจริงๆเหมือนกันเป็นมหาเศรษฐีแต่ขี้เหนียวมากไม่รู้จักทำบุญทำทานเลยเวลาคนมาใกล้เนี่ยญาติพี่น้องมาใกล้เนี่ย ไล่เข็นไล่ฆ่าหนีหมดว่า ง, งั้นจนไม่มีใครเข้ามาใกล้มีแต่ตัวเองกับบริวารบริหารจัดการเนี่ยเป็นเลิศว่า ง, งั้นเด้จนเป็นมหาเศรษฐีในกรุงสวัสดีท่านหนึ่งจากนั้นขี้เหนียวขวานนั้นเก่งขนานั้นก็ตายเป็นเหมือนกันนะพยามัจยุราชไปเลือกเหมือนกันพ่อเขาตายไปแล้วท่านพระเจ้าเประเซนประกาศหาคนว่าใครที่เป็นญาติเป็นทา ย, ยาทของเศรษฐีที่ท่านตายไปเนี่ยมีไหมประกาศอยู่เจ็ดวันไม่มี พอไม่มีปยาปเสนก็ขอขนทรัพย์สมบัติเข้าท้องเข้าพักังหลวงเพราะไม่มีใครเพราะไม่มีใครแสดงความจำหนง่งพอเศรษฐีเขาตัดหมดใครจะมาเป็นทายาทที่จะเป็นใครเขาตัดหมดไม่ให้ใครมาใกล้ว่าอไงกันใครจะเข้ามาใครเสนอเข้ามาเนี่ยใครเจ้าเป็นใครมีเหตุผลไหมมีหลักฐานไหมถ้าไม่มีหลักฐานมัวเมียพูดปยาปเสนก็จะตัดคอแล้วงั้นเถอะเพราะนั่นใครจะมาเข้ามาใกล้ได้เ พอตายไปแล้วพญาประเสิทธิ์ขนมาเจ็ดวันแต่ทานทุกวันเนี่ยจะมีรถสิบล้อเนี่ะคงยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้ววะมันเร็วฮะอันนั้นกเกวียนไะงพอขนมาแล้ววันที่แปดวันที่เจ็ดเนี่ยพอขนเสร็จแล้วพญาประเสิทธิ์ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้พ า, พ า, าพุทธเจ้ามหาภูพิตมาจากไหนทําไมมาตอนบ่ายอย่างนี้โอ้ข้าพระ อ, องค์เศรษฐีตายไม่มีญาติก็เลยได้ขนทรับอยู่เจ็ดวันพระเจ้าค่ะเพิ่งเสร็จวันนี้ล่ะ จีนเน่มากราบพระพุทธเจ้าหายไปหลายวันพระเจ้าค่ะอืมพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาเศรษฐีคนเนะี้ยที่ตายไปเจ็ดวันนี่นะเขารวยมาเป็นชาติที่เจ็ดแล้วนะแต่ว่าชาตินี้แหลเป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้วหมดแล้วจีเนี่ยอันนี้สงฆ์บุญของเขาหมดแล้วหมดในชาตินี้ต่อไปนี่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ทํานายเลยจนะีนเนี่ยไม่ทำนาย ชีวิตดูว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเลยเหมือนันเถอะเพราะออกจากนี้ไปแล้วก็จบแล้วพระญาปเสนเขากราบทูลถามว่าด้วยบุญอ น, นิสง์อะไรหนอพระเจ้าข่าเขาจึงได้รวยถึงขนาดนี้พราะพระพุทธเจ้าบอกว่าในอดีตชาติของเขานั้เป็นองค์ขมนตรีที่เปรียบเทียบทุกวันเนี่ยนะแต่ว่าเป็นปโปรหิตราจานถ้าพูดตามศัพท์เป็นปโปรหิตรายจานเป็นผู้กล่าวแนะนําสั่งสอนเป็นผู้ทําราชการ เป็นหูเป็นตาให้พระราชาพระราชาก็ต้องมีหูมีตาเหมือนกันนะสอดส่องประสบนิกรประเทศชาติของพระองค์เป็นยังไงก็ต้องใช้เนะี่ยพวกโปรหิตราจาย์ทั้งหลายแลยนะเป็นผู้สอดส่องดูแลจากนั้นมีเรื่องอะไรก็เข้าไปกราบทูลพระราชาหรือพระราชาทําสิ่งไหนที่พรประชาชนประชากรของไม่ชอบนะพวกนี้ก็ต้องได้ ก, กราบทูลพระองค์พระองค์ท่านนะนี่แหละ ท น, นี้พอโปโลหิตตายจาย์ไปเห็นพระประเจกกําลังบินเทบาทเนะี่ยองเดียวนะพอเห็นบินเทาบาทพระประเจกท่านก็ออกจากนิโรธชมาบัตรท่านออกมาแล้วท่านก็เดินในตลาดคนมากโปโลหิตได้บอกเห็นพระประเจกเท่นนะั้นแหะเอา้าไทบาดตักบาดใจบาดตักบาเนะ้อลูกหลานเนะ้อใจบาทพระประเจกพระประเจกพุทธเจ้าทีนท่านเดินมาบินเท่าบาทใจบาทพระประเจกเนะ้อคนทั้งหลายเห็น โรหิฏตาจารประกาศเขาก็เลยใส่บาดพระประเจกส่วนพระประเจกอเฮ้ยสัมมนาหัวลน้นเลยกินข้าวแล้วก็ไม่เห็นทําการทํางานอะไรไปตีพุงอยู่ในป่าไม่ได้ทําการทํางานอะไรเสียราชการเสียเงินเสีย ว, วัตถุเฉยเฉยเลยาทุกวันนี้เขาก็คงจะว่าเป็นกาฝากอย่างนั้นแต่ในบาลีท่าไม่ได้พูดอย่างนั้นพอพูดเสร็จแล้วโปรหิตตาจารเนี่ยเดินเข้าไปในเวียงวังกระทางานต่อไป ไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทําบุญเหมือนกันนะแต่นี้พอจากนั้นมาท่านก็ตายในชาตินั้นว่ะพอตายที่ท่านประ ก, กาศให้คนทําบุญท่านไปสู่สวรรค์นนะว่าในสงฆ์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่มีอาหารจริงๆมันนะคนไปใส่บาตรให้ท่านท่านก็ได้ใส่บาตรโปรหิตรก็ได้บุญในบุญในขณะที่จิตใจที่เป็นกุศลประกาศเหมือนันนะถ้าว่าประกาศเสร็จแล้วก็ท่านก็ไปทํางานพอทํางานในเวียงระวังจากนั้นท่านก็ตาย มรณาภาพในชาตินั้นตายแล้วท่านไปสู่สวรรค์เพราะสู่สวรรค์กลับมาม า, มาเกิดเป็นเป็นคนในกรุงพาราณสีโอ้เป็นเศรษฐีใหญ่เลยท่านนียอนิสงประกาศให้คนทำบุญแต่ว่าตัวเองใช้ไม่ได้กินไม่ได้จะกินบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งก็โอ้โหเสียดายเหมือนกันเถะเก็บทั้งนั้นได้มาเท่าไหร่ทั้งกันได้ร้อยบาทแกกินหนึ่งสตางค์ 2, สองสตางค์กับกลัวมันจะขาดร้อยใช่ไหมให้มันเต็มร้อยเหมือนกั น, น มิถาเพิ่มเข้าอีกกินเงินได้มาพันหนึ่งก็กลัวมันจะขาดพันได้แสนมาก็กลัวจะขาดแสนเอาไปมาอลไรเก็บหมดเลยว่างั้นเวลาใช้ผ้าก็ใช้ผ้าขาดที่เขาไม่ใช้แล้วนี่ไปเย็บมันชารุดที่ไหนมันชารุดเอาเศษทีเอามาใช้ล่มอันไรที่มันขาดเอาเศษทีเอามาใช้รองเท้าที่มันขาดที่มันชารุดที่เขาขายไม่ออกเอาเศษทีเอามาใช้มาซ่อมใช้อ่ะ เศรษฐีไม่แต่ใช้ของสำรุดขนาดข้าวนะกินกินกับน้ำส้มผักกลุ่มน้ำส้มพูมเอาเนื้อมันไปขายนะตัวผักกลุ่มมาไปขายเอาแต่น้ำมันแล้วก็มาต้มใส่ข้าวอข้าวหักนะเท่าข้าวปลายนะมาต้มเลยแล้วก็มากินกินข้าวปลายนะั้นจะไปกินดีปีอะไรกินแล้วก็ถ่ายนั่นเอาขายนะี่ยเอาเงินมาเก็บไว้นะ่ะจะมีประโยชน์พอในสูตรเศรษฐีเธอต้อก็เลยเก็บ ชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้นอีกจนมาถึงชาติที่เจ็ดเนี่ยแต่ในชาตินี้เศรษฐีก็ยังทําอย่างเก่าไม่ใช้เงินพระพญาประ เ, เสิทธาทำไมเศรษฐีจึงไม่ใช้เงินพระเจ้าค่ะพราะพระพเจ้าบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ของทานของเศรษฐีเพียงแต่ว่าประกาศให้คนอื่นทําบุญอั น, นิี่สงในการทําบุญเขาไม่มีแต่ ว, ว่าอันที่สงประกาศให้คนทําบุญ น, น่ะนเขาเป็นเศรษฐีแต่เขาไม่กล้าใช้เงินของเขาไม่กล้าใช้เงินพ่าะอะไรเพราะ ไม่ใช่อันิสง์ของเขาไม่ใช่เงินของเขาที่เขาประกาศนี่แหละการชักชวนให้ค น, คนอื่นทําบุญตัวเองไม่ทำํำรวยเลยรวยแต่ว่าใช้ไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดก็ตามทําบุญให้แต่คนอื่นทําตัวเองไม่ทําตัวเองไม่ได้แต่ตัวเองทําเองไม่ประกาศไม่บอกไม่ชักชวนคนอื่นทําเกิดมาชาติหน้ารวยคนเดียว แต่ไม่มีบริวารบริวารไม่มีหาคนใช้หาบริวารยากมากแต่ทั้งที่ตัวเองก็รวยแสนรวยแต่หาบริวารไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะอานิสงส์ในการทําบุญในชาติที่แล้ววิจา ท, ทําที่จะจะทําก็ทําแต่ไม่ชักชวนคนอื่นทํำแต่บางคนก็ทั้งทําบุญด้วยทั้งชักชวนคนอื่นด้วยเขารวยแต่เขาไม่ได้บริวารแต่บางคนมีแต่ชักชวนคนอื่นทํา ตัวเองไม่ทําอันนี้ก็ได้แต่บริวารตัวเองก็จนเมื่อบริวารมาแล้วไม่รู้จะหางเงินที่ไหนไปเลี้ยงบริวารของตนเองเนี่นแหละหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนไว้หมดการทําบุญทําทานการเสียสละมันเป็นติดภพติดชาติไปต่อไปในอนาคตเพราะอา น, นิสงส์ในการทําทําบุญทําทานเพราะว่าตายแล้วไม่สูญอย่างที่ว่านพระพุทธเจ้ า, าตายแล้วไม่สูญนะ ตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงถ้าว่าตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วถ้าว่าทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั่นก็จะพาไปสู่ทุกขติพ่อตายไปแล้วถ้าว่าบาปก็ไม่มากบุญก็ไม่มากกันหลังขบมาเกิดเป็นผีละวันที่พวกเราเห็นผีบางคนก็เห็นเห็นผีทำไมจึงเห็นได้เหมือนกับเครื่องวิทยุนะมันจูนมันจูนแล้วมันชนกันเา ง, งืนกวิทยุมันมีคลื่นตั้งเยอะแยะใช่ห เอ9 8อ9มเกปเไล่ ए, 98, 99, ไปจนถึงมากมายเหมือนั้นแต่แต่ถ้าหมุนไม่เจอคลื่นมันมันรับไม่ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันคือวิญญาณและใจของคนนั้นะไปเจอคลื่นเหมือนกันแล้วก็ไปเห็นกันรู้กันไปพบกันไปรู้สึกได้นี่นี่แหละอันนี้แปลว่ามันมีอยู่วิญญาณแต่ว่าเราหมุนคลื่นของเราไม่เจอเพราะพระพุทธเจ้าในท่านคลื่นของท่านมีมากเลย มีร้อยกี่ร้อยอย่างคืนของท่านทีเย็บเลยแต่นี่ท่านจะหมุนไปแต่นะท่านจะรู้เรื่องอะไรท่านรู้ได้ทั้งหมดเลยนี่แหละท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าอยากจะรู้ให้ภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองร่างกายนีย่แตกตายสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจคือนามธรรมนั้นจะไปปฏิสนธิไปหาเกิดถ้าว่าทำกรรมชั่วไว้ก่อนไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ที่ทะฉัน ถ้าว่าทำคุณงามความดีเอาไว้กับไปเกิดเป็นภูมิมะลุกขะเทวดาอยู่สั น, วนฉวรค์ชั้นผงถ้าทําม่ใช่จิตใจบริสุทธิ์เป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาเป็นพระรหันธ์ถ้าพระรหันธ์นั่คือชําระใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกับเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวหรือมเมล็ดขนุนเอาไปต้มซะเอาไปนึ่งซะเอาไปเผาไฟให้มันสุกเชื้อมันหมดแล้วกิเลสออกจาก ข้าวเม็ดข้าวเม็ดทันแล้วเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดนะเพราะอะไรเพราะเชื้อมันหมดนะนี้ก็เหมือนกันใช้ตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญากันกรองใจของพวกท่านทั้งหลายแล้วเมื่อกิเลสกิเลสราคะโทสะโมห oh ะออกจากจิตใจแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเกิดอีกนะอันนี้คือพระหรหันะ์นี่แหละเพราะพระทีเจ้าท่านพูดเป็นขั้นตอนพดั ะ, ะนั้นขอให้พวกคณะทาญาทโยมทุกๆ ก, กท่านนะ ให้ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอไม่ใช่ว่านึกเราเอาคาดคะเนเอ า, า, า, า, เ, อาเรียนรู้เราจะรู้ได้ไม่ใช่นะต้องปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เหมือนกับเราบางอย่างเนี่ยคนทําแทนกันได้นะบางอย่างทําคนทําแทนกันได้แต่บางอย่างคนทําแทนกันไม่ได้ทําไมทําแทนกันไม่ได้อย่างเรียนหนังสืออย่างนี่แหละใครจะมาแทนเรียนแทนเราได้ถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ได้ยังไง เขาเรียนก็เป็นความรู้ของเขาเนี่ยออกกําลังกายก็เหมือนกันถ้าออกกําลังกายถ้าเราออกเราก็ได้กําลังเขาเราถ้าคนอื่นออกแทนไม่ได้ทานอาหารก็เหมือนกันเขาทานของเขาอิม่มเราไม่ทานจะไปอิ่มได้ยังไงนี่แหละคือบางสิ่งบางอย่างทําแทนกันได้แต่บางเรื่องบางราวทาแทนกันไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเรื่องเรียนธรรมะเข้าสู่จิตใจก็เหมือนกันศีล ส, สมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้า ต้องทําเองคนอื่นทําแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาทดลองดูนะก่อนหลับก่อนนอนกันนั่งภาวนาหลับตาไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้หลับตานึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธแน่ใจถ้าว่านึกพุทโธพุทโธมันยังออกประโยชน์ให้นับสิหนึ่งหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับถึงร้อไม่เผลอแปลปว่าใช้ได้เริ่มใช้ได้ถ้าว่านับถึง4ี่ถ้าเพลอแป๊บ ถึงเจดถึงแปดเพอปับเราไม่น่าจะไว้ใจเรานะโอ้ถ้าเพอมากกว่านี้เราเป็นบ้าแน่แน่แน่เี่เพราะมันขาดสติเนี่ยเวลานับไปนับไปหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่รับไปเลยจนถึงร้อยน่ยมันเพอกี่ครั้งจะรู้ได้ยังไงว่ามันเพอเวลาหายใจเข้าหนึ่งเป็นเลขขี่ใช่ไหมเวลาหายใจออกคู่เป็นเลขสองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สามหายใจออกเป็นเลขสี่คู่แค่เท่า คู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้ทีนี้มันจะเบอเวลามันจะหลกมันจะเบอร์เบอร์เบอร์สร็แล้วหายใจเข้าสามสิบสองหายใจออกสามสิบสามเนี่ยแปลว่ามันเบอร์แหละมันพิกล็อกแล้วงา น, นะนนั้นแปลว่าใช่ไปได้แหละสติเราขาดหายใจพอนับไปหน่อยหนึงนะ่งหายใจออกแปดหายใจเข้า 9, เก้าเนี่ยแปลว่าพลิกล็อกแล้วหายใจเข้ามันต้องเป็นหนึ่งเหลือเป็นเลขขีะ หายจออกเป็นเลขคู่นะนี่แหละให้พวกเราสังเกตตัวของเราเองเวลานั่งสมาธิถาาว่าพวกเรานั่งสมาธินั่งกําหนดนับนับนับถึงร้อยนะถ้าถึงร้อยแล้วไม่เผลอแนะปลว่าเราใช่ได้หนึ่งนาทีกว่ากนับอีกไม่เผลออีกใช่ได้ต่อไปทสติของเราจะดีขึ้นเรื่อยเื่อเรื่อยเื่อยเรื่อยถ เ, เ, เราจะกําหนดเรื่องอะไรเราจะรู้ได้ด้วยตนเองจะไม่เบือเ่อเบอเผลอเผลอเลเรอไปถึงแต่ถาาว่า เรานับไปนับมามิตรหลงอยู่เรื่อยหลงอยู่เลยหลงอยู่เล ย, ล ย, เลยต่อไปเมื่อเท่าแก่ชร า, ามานะ่ยเอาละทีหลงลืมไปหมดเลยทีนี้ปั๊มปั๊มเปอเปอร น, น่ะทีนี้กินข้าวแล้วก็บ่กไม่ได้กินเลยทีนี้เ พ, เพราะอะไรเพราะสติของเราเรือล่างฮะเป็นอันใเมือได้ง่ายๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่ทานนะฝึกสมาธิเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของเราเองจนถึงเท่าแกชาา่ชราในเมื่อจะตายแล้วไม่หลงตายอีกต่างหากถึงข้าวเราละเหรอ ถึงเขาชีวิตของเรามาถึงแล้วเลยจุดจบชีวิตของเราถึงเพียงแค่นี้เลยเราจะไม่สะทกไม่สะทานเพราะเหตุไรเพราะว่าเราได้พิจารณาดูแล้วเกิดคนเกิดมาก็ต้องตายไม่เป็นอย่างอื่นจะหยุดแต่เราคนเดียวเหรอเพราะนั้นเมื่อเราได้ธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วได้ศึกษาธรรมะแล้วนั่นแหะมันมีประโยชน์อย่างมากแต่คนไม่ได้ศึกษาธรรมะอยู่เป็นวันวันเดือนๆปีปีไปแล้วก็ถึงจุดจบไปเลยอันนั้น หลวงพ่อว่าขาดทุนที่พวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน่าจะศึกษาน่าจะเรียนรู้น่าจะปฏิบัตินะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร